วันนี้ธรรมาก็จะพูดเรื่องประโยชน์ของความทุกข์วันนี้ที่วัดชวนประทานก็มีการเผายมดวงหรือดิดเป็ฉีของปูหลงซึ่งเมื่อเพิ่เสียชีวิตเมื่อสามวันก่อนซึ่งถือเป็นคนรู้จักกันก็มีคนไปนร่วมกันมากมายความตายเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากเราประมาทไม่ได้เลยจยงสมัยพุทธกาลมีคนที่ประสบความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความตายของคนที่รัก แล้วก็สามารถบรรู้ทำได้คือตอนแรกต้องยึดก่อนว่าเป็นของเราแต่ตอนหลังเนี่ยพอฟังธรรมจากฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็เห็นคามจริงของชีวิตสามารถปล่อยวางหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นได้จะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนางกีสาโครมีนางกีสาโครมีรมพึ่งแต่งงานได้ไม่นานก็มีลูกเล็กๆอยู่คนหนึ่งแต่อยู่มาวันหนึง ลูกชายของนางเนี่ยก็ตายอย่างกระทันหันซึ่งนางก็เสียใจมากและไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองตายคิดว่าสลบไปเท่านั้นเที่ยวเดินไปขอความช่วยเหลือจากคน น, นู้นคนนี้ขอยาเพื่อจะรักษาลูกตัวให้ฟื้นซึ่งก็ไม่มีใครช่วยได้จนคนในเมืองเนี่ยต้องบอกเขาไปขอยาจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าอาจจะช่วยได้นางก็อุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ตถาคตมีวิธีรักษาลูกของนางแต่ขอให้ไปหาเมล็ดพันธุผ์ผักกาดเอามาหนึ่งกำมือซึ่งนางกีสาโคตรมีก็ดีใจเพราะว่าเมล็ดพันธุผ์ผักกาดเนี่ยหาง่ายไม่ยากแต่พุทธองค์ก็มีเงื่อนไขนะว่าจะต้องหาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเท่านั้นพอองค์ถึงจะปรุงเป็นยาแลป้ปยาได้นางก็ดีใจอุ้มลูกไป ไปขอเม็ดพันธากาศซึ่งทุกบ้านมีหมดอ่ะแต่พอนางถามว่าบ้านที่มีคนตายเคยมีคนตายไหมแต่และบ้านก็ตอบมีคนตายทุกบ้านไม่พ่อตายแม่ตายก็ปู่ย่าตายยายตายยิงไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายเลยนางก็ไปขอทุกบ้านแล้วก็ผิดหวังเพราะไม่สามารถหาเม็ดพันธากาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายได้แล้วก็อุ้มลูกมา จนลูกเนี่ยก็เริ่มขึ้นอืดละเริ่มเหม็นตอนนี้นางท้อแท้ชีวิตมากแต่แล้วนางก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเอ๊ะทุกคนจะเกิดบาร์ต้องตายไม่ใช่เฉพาะลูกของนางเท่านั้นพอนางเกิดปัญญาปุ๊บนางก็ปล่อยวางนางก็เผาศพลูกแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์ก็แสดงธรรมให้นางจนได้ดวงตาเห็นธรรม ส่วตะหลังเนี่ยก็บรรลุอรหันต์ในที่สุดอันนี้ก็เกิดจากความทุกข์ของการสูญเสียสีตน้นรักฉันฝ่าทุกข์ก็มีประโยชน์เพราะถ้าคนเราเนี่ยไม่ทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่หาทางออกเราก็จะหลงและเริงพอเรารู้ว่าคนนู้นตายคน น, นี้ตายที่เป็นสิทกับเราเนี่ยเราจะตื่นตัวขึ้นมาทันทีเลยตื่นตัวคิดว่าความตายทักวันนั้นเกิดขึ้นกับเราแน่จะเกิดความสลดสังเวชแล้วก็ทําความเพียรเพื่อหาทางหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ให้ได้ แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้จะหนักกว่าเรื่องของนางกีสาโคดมีคือเรื่องนี้จะวิปรโยคมากคือนางปตาจจรานางปตาจจราเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีของเมืองสาวัตถีซึเศรษฐีห่วงมากแต่แล้วนางก็ได้ไปไปมีรักกับคนใช้ของบ้านนางเองแหละแล้วเศรษฐีก็จะให้นางแต่งงาน กับคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันสามีนางที่เป็นคนใช้ก็พานางหนีไปอยู่บ้านของตัวเองซึ่งนางก็ตั้งท้องพอใกล้จะคลอดลูกซึ่งตามประเพณีของอินเดียเนี่ยจะต้องไปคลอดบ้านของของภรรยาตามธรรมเนียมนางก็หนีสามีตั้งใจจะไปทอดคลอดลูกที่บ้านของปิดามารดาระหว่างนางระหว่างทางเนี่ย นางก็ไปเดินไปเรื่อยๆสามีนางก็ตามมาทันแล้วนางก็คลอดลูกแล้วก็ไปอยอกไปนางไปก็เลยต้องกลับไปอยู่บ้านเหมือนเดิมแล้วปีต่อมานางก็ท้องแก่ใกล้คลอดอีกทีนี้ก็หนีใหม่แล้วนางก็อุ้มลูกคนโตไปด้วยซึ่งลูกคนโตก็อายุประมาณขวบหนึ่งคือเริ่มเดินได้แล้วก็หนีไปสามีนางก็ออกตามเหมือนเดิมแล้วก็ไปตามเจอระหว่างทาง ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนฟ้าขนองมีพายุนางค็อยสามีของนางเนี่ยไปหาไม้เพื่อทําทําที่บุงที่บางสําหรับอาศัยนอนเพื่อจะคลอดลูกเ พ, พอใกล้คลอดเต็มทีสามีนางก็เดินไปหาไม้แถวจอมปวกเพอตรงนั้ น, เ, นเป็นที่อยู่ของงูเห่าแล้วบรรยากาศตอนนั้นน่าจะน่าจะเป็นตอนเย็นที่มืด ไม่เห็นก็เหยียบงูเข้างูก็กัดจนสามีของนางเนี่ยเสียชีวิตฝนก็ตกมาอย่างหนักนางก็ต้องนอนหนาวแล้วก็คลอดลูกด้วย ค, คนืนนั้นได้รับความทุกข์มากต้องนอนเปียกฝนทั้งลูกคนโตแล้วเด็กที่เพิ่งคลอดได้รับได้รับความทุกข์ทรมานมากรุ่งเช้านางก็เดินตามหาสามีก็เห็นสามีตายอยู่นางก็ร้องไห้เสียใจมาก ไม่มีทางเลือกนางก็ต้องกลับบ้านไปหาบิดามารดาระหว่างทางก็ไปเจอแม่น้ําฝั่งหน้าอยู่ซึ่งนางไม่มีปัญญาจะพาลูกสองคนข้ามแม่น้ําไปได้ก็เลยตัดสินใจบอกให้ลูกคนโตเนี่ยอยู่รอรอแม่ที่ฝั่งนี้แล้วก็นางก็อุ้มลูกที่เพิ่งเกิดใหม่ๆอเดินลุยข้ามน้ํำไปแล้วก็วางบนฝั่งนู้นพอวางเสร็จปุ๊บนางก็เดินข้าม แม่น้ำเพื่อจะไปรับลูกคนโตที่ฝั่งนี้พอเดินไปถึงกลางแม่น้ําเนี่ยก็เกิดเหี่ยวตัวใหญ่ตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นลูกของนางเนี่ยเพิ่งเกิดใหม่ๆมีเนื้อแดงๆก็คิดว่าเป็นเนื้อหรือเป็นเหยื่อก็เลยบินโฉบลงมาจะมากินเป็นอาหารนางเห็นข้าวก็โบกมือไล่เหี่ยวฝ่ายลูกชายคนโตที่อยู่ฝั่งนู้นเห็นแม่ฝักมือก็คิดว่าเรียก ก็เลยเดินลงน้ําแล้วก็จมน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วลูกฝั่งนี้ก็ถูกเหยี่ยวโฉบไปโไปกินด้วยตอนนี้นางเสียใจใจมื้อเสียใจยังไงร้องไห้ตลอดทางเพราะเสียทั้งลูกเสียทั้งสามีตอนนี้ก็เหลือที่พึ่งสุดท้ายต้องไปหาบิดามารดาที่เบืองสาวัตถีระหว่างทางที่เดินไปถึงพ อ, พอถึงเบืองสาวัตถีก็เจอเจอคนที่ผ่านมาก็ถามว่า คือก็ถามถึงบ้านถามถือบิดามันดาว่าเป็นไงสบายดีไหมซึ่งคนที่ผ่านมาก็ชี้บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดพายุฟ้าผ่าปฏิบัติเศรษฐีคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ชายคนใช้ตายหมดตอนนี้ไฟยังไหม้ฟันยังกุ่นอยู่เลยแล้วก็ชี้ให้ดูมาถึงตอนนี้นางปนางปตจราเนี่ยคือถือว่าสิ้นสติแล้ว แล้วก็คือสติสัญญมชญะบทละเป็นบ้าเลยผาพ่อหลุดลุย่ยคือเสียผู้เสียคนตอนนี้คือไม่มีอะไรวิบประโยค์เท่านี้อีกแล้วสูญเสียทุกอย่างพ่อแม่พี่ลูกสามีจากคนรวยกลายเป็นคนหมดเนื้อหมดตัวต้องเลีล้ยอนขอทานไปหไหนก็โดนไล่นาาก็กระเซอะกระเซไป เ, เรื่อยจนถึงที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ได้เล็งด้วยพย า, ยานว่านางปต t จ a า a l เนี่ยมีอุปนิสัยที่บระลุธรรมพระองค์ก็ใช้ฤทธิ์บดดาให้นางเนี่ยมิสติกลับคืนมาพอนางได้สติปุ๊บนางเกิดความละอายเพราะนางตอนนี้อ่ะผ้าผ่อหลุดรุ้ยก็มีคนเอาผ้ามาให้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้นางได้ฟังการแสดงธรรมพระองค์เนี่ยก็ทําให้นางปต t จ a า a l เนี่ย เกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นโสดาบัญแล้วก็มาบวชเป็นพิสูจนีแล้วมีอยู่วันหนึ่งนางก็ตักน้ำราดไปที่พื้นตักน้ำราดไปครั้งแรกก็ไปได้หน่อยหนึ่งน้ำํำมาซึมลงดินสาดไปครั้งที่สองก็ไปไกลกว่านั้นแล้วก็ซึมลงดินสาดไปครั้งที่สามก็ไกลกว่านั้นนางก็ฉุกคิดมา ไ, ได้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยก็ต้องตาย และมีอายุไม่เท่ากันบางคนก็ตายตั้งแต่ยังเด็กบางคนก็ตายตั้งแต่วัยกลางคนบางคนแล้วแก่ตายไม่มีใครหนีความตายไปพ้นสภูตโค์ก็ปรากฏกา ย, กายขึ้นแล้วก็แสดงธรรมให้นางฟังว่าบุคคลเนี่ยมีชีวิตอยู่แค่วันเดียวขอให้เห็นการเกิดดับของมิจฉาขันดีกว่ามีมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีของคนที่ไม่เคยเห็นการเกิดดับของมิจฉาขัน ก็ทำให้นางเนี่ยรร้เป็นพระอาหาันตลพ้นจากกองทุกได้สองคนที่ยกมาเนี่ยคือนางปต a จ a ราลังกีสาโคณรมีเนี่ยคือทุกเจีนตายแทบเสียผู้เสียคนเหล่านั้นแต่ก็สามารถหลุดพ้นได้ความทุกข์ก็มีประโยชน์ทำให้คนหาทางออกอย่างบางคนมาบวชก็เห็นทุกข์ถึงมาบวชเพราะโลกของคารวะเนี่ยเป็นโลกที่อันตรายแล้วก็หาอกาปฏิบัติธรรมยาก เพราะส่วนมากโลกคารวาสก็จะคุยกันในเรื่องเรื่องได้เรื่องมีเรื่องเอาคุยเรื่องกิเลสทา้งนั้นจะไม่มีใครคุยเรื่องดับทุกข์พาพอมาบวชเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังเจอครูบาอาจารย์ได้ฟังเรื่องเหล่านี้ทําให้เกิดปัญญาทําเห็นทางดับทุกข์ได้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็เกิดใส่พุทธกาลเหมือนกันนางสามาวดีเรื่องที่เกิดที่นครกรุงสัม โกสมพีคือนางสามบาวดีเนี่ยเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่โดนนางโดนนางมาคาดยาเนี่ยอิจฉาใส่ร้ายต่า ง, า ง, างๆนานาแล้วอยู่ประวันหนึ่งเนี่ยนางก็คิดฆ่านางสาบาวดีโดยให้ญาติของตัวเองเนี่ยเอาน้ามันแล้วก็ผ้าเนี่ยมาผูกติดไว้กับปราสาทแล้วก็ปิดห้องขังนางสาบาวดีกับ บริวารของนางประมาณห้า้อยคนแม้ไม่มีทางออกแล้วจุดไฟคอกให้ตายทั้งเป็นซึ่งนางสามาวดีเนี่ยนางเป็นโสดาบันอยู่แล้วนางก็บอกให้บริวารของนางเนี่ยอย่าได้อาคาดและแผดเผตตาให้คนที่ฆ่านางด้วยอย่าได้จองเวรต่อ ก, กันซึ่งเหล่าบริวารคนใช้ก็ทําตามถ่ายโดนไฟแผดเผาเนี่ย ได้รับทุกเวรนามากนางก็ไปโกรธคนที่ฆ่านางบางคนก็เกิดเป็นโสดาบันบางคนก็ไปเกิดเป็นสกิทาคามีบางคนก็เกิดเป็นอนาคามีเพราะใส่ความทูบหวีบคันเนี่ยและสามารถออกจากกองทุ ก, ทกได้คือตายแบบไม่ประมาทแล้วตอนหลังนางมาคาดียาก็รับกรรมถูกฆ่าตายเหมือนกันอันนี้เป็นการตายที่สามารถออกจากกองทุกกองทุกได้ การตายที่มีประโยชน์ไม่ตายเปล่าฝ่าทุกข์ทำให้คนหาทางออกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เปรียบเปรียบบุรุษอช า, า, าชานายัยกับม้าชาในคือม้าสียตัวพวกม้าเพศที่หนึ่งเนี่ยแค่เห็เงาประตักก็รู้ว่าจะต้องทาไงถึงจะเอาใจเจ้าของถูกม้าเพศที่สองต้องถูกประตักส ก, กิดผิวถึงจะรู้ตัวแล้วเอาใจเจ้าของ มาประเภที่สามต้องถูกประตักแทงไปถึงเนื้อถึงจะเอาใจเจ้าของมาประเภที่สี่ต้องถูกประตักแทงเข้าไปถึงกระดูกถึงจะถึงจะสํานึกถ้าจะเปรียบกระบุบบุรุษอาชายนายก็คือประเภทที่หนึ่งเนี่ยแค่เราได้ได้ดูข่าวทางโทรทัศน์หรือฟังข่าวจากวิทยวุว่ามีคนนุ้นตายคนนี้บาดเจ็บ คนที่ป่วยเราก็ก็จะเกิดความสลดสังเวชว่าสิ่งนี้ จ, จะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราต้องรีบฝ่าความเพียรเพื่อฝาไม่อาจเพราะสิ่งนี้อยู่ใกล้ตัวเราประเภทหนึ่งที่ถือถือว่ามีปัญญามากนะสามารถคิดเองเป็นประเภทที่สองจะต้องเห็นด้วยตาตัวเองเห็นเห็นคนตายต่อหน้าเลยจึงจะเกิดความสลดสังเวชและทําความเพียรถ้เปียกก็เหมือนม้าประเภทที่สอง คือถูกปะตากแทงผิวอันนี้ฝาสุกช้าหน่อยประเภทที่สามอันนี้จะต้องเกิดกับคนรักญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักถึงจะเกิดความโสดสังเวชแล้วก็รีบทําความเพียรเปรียบกับมาประเภทที่สามอ่ะคือถูกปะตักแทงเข้าไปถึงเนื้อประเภทที่สี่นี่ถือว่าหยาบหน่อยประเภทนี้ต้องเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะ ตัวเองป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหรือใกล้จะาตายแหล่ไม่ตายแหล่จึงจะรู้สํานึกคือที่เกิดตัวเองคือหมอบอกว่าเป็นมะเร็งบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยคือช่วงที่สุขภาพแข็งแรงก็จะประมาทอาจจะกินเหล้าดูบุหรี่เล่นการพนันไม่พักผ่อนใช้ชีวิตแบบเลื่อดเปื่อยเ ป, เป็นวันหนึ่งคือจะไม่รู้สํานึกแต่มาสํานึกรู้สํานึกก็ตอนที่เราเนี่ยป่วยหนักใกล้จะตายถึงจะรีบทำความเพียร เปรียบได้กับมา้าประเภทที่สี่เนี่ยคือแทงเข้าไปถึงถึงกระดูกมา้าสี่ประเภทนี้ก็ถือว่ายังดีนะแต่ถ้าถ้าเกิดประเภทที่ห้านี่เราจะไม่ขอกล่าวประเภทห้านี่ก็คือใช้ชีวิตแบบเกิดมาชาตินึงก็หลงทั้งชาติอะไม่คิดทําทําคุณงามความดีอะไรบุญบุศลก็ไม่เคยทําเกิดมาก็หลงตายไปก็ตายด้วยความหลงประเภทนี้มีเยอะมากวัดวาไม่เคยเข้าชอบไปอยู่ในศาลที่เริงรมอพยมุกต่างๆ มีเยอะมากหรือไม่ก็หลงการทำาหากินตลอดชีวิตยึดนูนยึดนี่คนประเภทนี้จะเยอะมากคนที่เข้าวัดได้ถือว่าเป็นคนที่มีปัญญามีบุญมีบุญเก่าเยอะมาวัดนี่บางทีก็ไม่ใช่ว่าจะมาแล้วถูกวัดนะบางทีไปเจอวัดที่ทำให้เราหลงก็มีไปเจอวัดปลุกวัดเสกวัดที่ก็ไม่สอนธรรมะธรรมดาเราหลงอยู่แล้วก็ทาให้หลงหนักเข้าไปอีกคือไปผิดทาง ไม่ได้พูดเรื่องทุกเรื่องดับทุกทั้งการที่เรามาถูกวัดก็ถือมีบุญเก่าแล้ววิธีเตรียมตัวรับฟาร์มตายก็มีอยู่สี่วิธีวิธีหนึ่งก็คือทําความดีอยู่เสมอเพราะถ้าเราทําความดีอยู่เสมอเนี่ยทําจนแบบเคยชินอันนี้ความดีจะช่วยเราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาทําอยู่เป็นประจําเนี่ยจะทำให้จิตใจเราเนี่ย ก่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญความตายวิธีที่สก็คือพิจารณาฝับตายอยู่เรื่อง น, นิดเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยพิจารณาความตายหรอกมีความสุขอยากอยู่โลกนี้นานคือมองว่าโลกนี้เที่ยงแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยว่าเราเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีความพัดภาคสูญเสียเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนทําดีจะได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ย ก็ทำให้เราเนี่ยยอมรับความตายได้เวลาความตายคืบมาเราก็ไม่ตีโพยตีพายและพร้อมที่จะเผชิญถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่โลภสามารถมีแรงจูงใจให้ปฏิบัติธรรมได้รู้ว่าชีวิตก็ของไม่เที่ยงเราจะสะสมทรัพย์สมบัติไปทำไมมีแล้วก็ทุกข์กว่าเปล่าแล้ววิธีที่สามก็คือหัดปล่อยวางกับชีวิตประจาวันอันนี้ก็สาคัญ ชือประจําวันเนี่ยเราก็ต้องฝึกปล่อยวางไปวางเวลาคนมาด่าเราคนมามาชมเราเราจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าเราไม่มีสติใครไปชมเราก็จะเหลิงเลยปลื้มปรับปื้ ม, มเวลาใครมาตําหนิเราคำหนึ่งเราจิตตกทุกันทีเลยคือคือล ง, ลงตามคนอื่นตามวาจาคนอื่นไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เราก็ต้องฝึกเวลาได้ของมาเราก็ต้องไม่ดีใจจนเกินไป เละเสียของไปแล้วก็ไม่เสียใจคือพยายามฝึกไม่ให้วันไหวกับอารมณ์นั้นถ้าเราฝึกบ่อยๆจนเป็นนิ่ใสเวลาเจอลมกระทบเราก็ไม่เคยทุกข์เท่าไหร่ใครมาด่ามาชมเราเราก็ไม่ได้เป็นไปตามโลกอธรรมที่เขาว่าเพราะเพราะคนที่ไม่ถูกด่านไม่มีในโลกทำดีมันก็ด่าทำไม่ดีมันก็ด่าถ้าขัดขัดผลประโยชน์คนโดนถูกนินทาทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่โดนดินทาพอคนที่ชมเน่ย ก็ส่วนมากก็ชมพวกเดียวกันที่มีแบบท่าตรงกันหรือถูกคอถูกใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกแล้วเราก็เล่าฝึกตัวนี้ไม่หวันหว่นไหวในโลกธรรมมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมียินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์แล้ววิธีทีสี่วิธีนี้ขาดไปได้เลยเราต้องหมั่นเจริญสติเพราะถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยเราก็ไม่ทานความคิดระหว่ า, วางคิดจะเร็วมาก ครบงามเราแล้วปูงแต่งไปเรื่อยแต่ถ้าเราเจริญสติเนี่ยทําให้ตัวรู้ไวขึ้นเนี่ยคิด ข, ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็ตัดได้แล้วก็ไม่ปูงแต่งยาวเกินไปถ้าเราฝึกบ่อยๆรู้ทันความคิ ด, ดบ่อยทุกเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยบางทีก็ไม่จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ทันมันเนี่ยเราก็จริงทุกเรื่องนันสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศาาัยความเพียรทําบ่อยๆพอทำ บ, อบอ่ อ, บอยปุ๊บเนี่ยเราเผลอไปแล้วก็รู้สึกตัวละกลับมารีบกลับมา ถ้าคนไม่ฝึกเลยเนี่ยบางทีเผลอไปไกลเลยพอเรื่องนู้นเรื่องนี้ยังไม่ทันจะขาดเลยเรื่องใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ไปเรื่องใหบอีกแล้วก็ไปเรื่องใหม่อีกทั้งที่ถ้าคนสติ ไ, ไวๆเนี่ยแค่คิดถึงคิดถึงหน้าคนที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันมันก็ตัดแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เราต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีตัวนี้เป็นราคาลิโกของใครของมันใครทาเพียนอธิษฐานก็ได้กับคนนั้นใครไม่ทําก็ไม่ได้ เพราะตอนตายเนี่ยสติคือวันแท้แล้วก็พึ่งพาได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่นั้นการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยเป็นวิธีง่ายสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยพื้นที่เท่าไหร่ขึ้นรถลงเรือทำงานก็สามารถฝึกได้ทำอาหารในโรงครัวหันกับข้าวก็รู้สึกตัวไปผัดกับข้าวรู้สึกตัว ยกของรู้สึกตัวบทล้างจานรู้สึกตัวฝาดใบไม้รู้สึกตั ว, ตตวเดินไปไหนมาไหนก็รู้สึกตัวโดยไม่ต้องอยู่ในฐานปฏิบัติเท่าไหร่นักแต่อยู่ในฐานนี่ก็สำคัญแต่นอกฐานก็สำคัญเพราะส่วนมากคนมาฝึกในฐานเนี่ยพอนอกฐานลทิ้งเลยคือว่าบางคนติดในรูปแบบพอนอกรูปแบบก็ไม่ปฏิบัติพอเผลอไปก็กลับมารู้สึกตัว ทำอะไรก็รู้สึกตัวตลอดอันนี้ก็ช่วยได้ทําให้สติไวขึ้นสติไวขึ้นความทุกข์ก็ลดลงทุกเรื่องก็คือเรื่องไม่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ก็ช่วยได้สี่เรื่องที่พูดมาก็มีทําความดีอยู่เสมอพิจารณาความตายอยู่เนืองๆหัดปล่อยวางในชีวิตประจําวันแล้วก็ฝึกเจริญสติอันนี้สามารถสามารถสู้ความทุกข์ได้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 ทั้งที่พาราตีแข็งขยันนั่นแหละผู้พัดเทกรัฐอันสัตว์ตะบรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเอ่ยขอความสุขความเจริญนจงมีแก่ญาโยมลุงท่าน